นสิสัยสีแปลว่ากิจที่ควรทำให้เที่ยวบินทบารหนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โครนต้นไม้หนึ่งยันฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าหนึ่งอันน้กิจที่ควรทำของพระไม่ผิดวินยัยไม่ผิดระเบียบไม่ผิดก ฎ, กฎกติกาของเราตถาคตให้ปฏิบัติอย่างนี้เมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องเที่ยวบินธบารเลี้ยงชีพ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 ใส่กันแต่ลูกน้องด่าเลยลูกน้องด่าเนี่ยอดทนระยะอันนี้ท่านพูดในพระหลักพระไตรปิฎกนะถ้าคนที่ด้อยกว่าดูถูกเย็ดจามเนี่ยโดยมากขยี้เลยเือคือขาดยับยั้งในการอดทนไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็คือความอดทนถึงจะระดับไหนก็ะผู้ใหญ่ผู้กลางผู้น้อยก็จะเราต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐาน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 นี่นะว่ท่านพระพุทธเจ้าท่านก็นสอนนะการเป็นอยู่ของคร ว, ว่าต์นะครวาา่าตธรรมธรรมของครว่าตสี่อย่างสัจจะให้มีความจริงจังและจริงใจต่อกันธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนในเมื่อได้ยินอะไรได้รู้อะไรมาต้องข่มจิตไว้ก่อนอย่าไม่ไปโมโหโกรธาอย่าไปใช้อารมณ์จนเกินขอบเขตบางทีมันไม่ใช่เราทําไปแล้วเสียหาย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 สอนหมวดสนะทำแต่ว่าทำหมวดสนะเตระกูลอันมั่งคลั่งนะไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถาน4เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนทรรมหมวด4ีนะตระกูลอันมั่งคลั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถาน4ี่หนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วสองไม่มัวรนะพัสดุที่ค้ำค่าสไม่รู้จักประมาณในการ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 สุขไม่ได้ในครอบครัวนะเพราะฉะนั้นท่าบอกพ่อบ้านออกนอกลู่นอกทางแม่บ้านก็ต้องคิดให้ดีก็ควรจะเก็บไว้ยังไงควรจะให้พ่อบ้านใช้ยังไงแล้วก่อนนั้นะให้มิกดูกันนี่แหละถ้าแม่บ้านออกนอกลู่นอกทางพ่อบ้านก็ต้องอย่าไปมอบให้เกินไปอะจะเดือดร้อนนี่แหละ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 แข็งที่พูดเหนือกว่าเรานะเพราะนั้นในคำพังเผยคลโบราณึ้ น, นว่ามองโลกให้มองต่ำมองธรรมให้มองสูงนะเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะชีวิตของพวกเรานะให้เดินไปด้วยความระมัดระวังอย่าไปชลาดรือลืมตัวอย่างหลวงพ่อในะสอนพระสอนตัวเองด้วยนะหลวงพ่อนะี่มาจากติด ต, ติดดินย